ที่รักทุกลูกวันนี้ดีใจที่ได้มาพบพวกเราทุกลูกหลังจากที่ทำพิธีบวชตอนบวชจำนวนหนึ่งร้รอยเท่าไหร่หนึ่งร้อยรูปพอดีหนึ่งร้อยรูปตอนนี้เหลือกี่รูปครับ 90เท่าไรครับ98รูปอยู่ไปจนสิ้นเดือนนี้จะเหลือกี่รูปให้ถึง98เนาะอ่าไม่กลับบ้านก่อนนะเรียนนนะวันนี้ไปเพลาประปชามาเยี่ยมดีใจที่พวกเราอยู่กันคับขันใครที่อยู่จนครบกำหนด ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในการบวชนเนรภาคฤดูร้อนที่วัดประยุนทําเรื่องยากจนสําเร็จต้องดีใจกับตัวเองเราเก่งเนาะบวช่จนครบทั้งทั้งทีงทงทง่บางองค์อยากกลับบ้านบางองค์อยากไป พบโยมพ่อโยมแม่แต่ก็ห้ามใจได้แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้ฟังเรื่องสนุกสนุกจากพระอาจารย์ยังได้พบพระอุปชายอีกเนาะไม่ธรรมดาใครที่กลับไปก่อนแสดงว่ายอมแพ้เราไม่ยอมแพ้คนที่ไม่ยอมแพ้ แม้ว่ามันจะยากเนี่ยต่อไปชีวิตอยากประสบความสำเร็จไม่มีวันแพ้ไม่มีวันล้มเหลวอยากเรียนเก่งเราก็จะเรียนสำเร็จอยากเป็นเล่นกีฬาเก่งเราก็จะเล่นกีฬาเก่งอยากจะทำอะไรเราก็ทำสำเร็จเหมือนพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเรียนจนจบโน่นนี่เพราะ มีความตั้งใจทีนี้เอาง่ายๆก่อนเรื่องกับของพวกเราเนี่ยมาบวชมาบวชอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างในเวลาที่มาอยู่ตรงนี้เขาให้ทำสามเรื่องนะทำสามเรื่องก็คือหนึ่งสวดมนต์ภาวนาสามเณรสวดมนต์ได้กี่บทละครับ ยะถาสัพทีได้ยังโอ้ยะถาสัพทีได้แล้วน ะ, ะสวดมนต์ภาวนาเป็นภาษาบาลีภาษาพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เรามาสวดได้ท่องได้เป็นบุญหรือเกิดนี่สวดมนต์ภาวนาอสองศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้มาบวชสนุกสนุกเล่นๆแต่เขามีการเรียนการสอนไปเข้าฐานมาฟังพระอาจารย์ฟังพระอุปชาได้ความรู้นี่ศึกษาเล่าเรียนแล้วบวชเรียนต้องรักษาศีลกี่ข้อครับสิบข้อเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติภาคเพียงปฏิบัติ ศีล ส, สิบข้อให้ครบเนะเป็นสามเณรต้องมีความเรียบร้อยเป็นเหล่าปอสมณผู้สงบถ้าเรามาบวชผมพระเหลืองเรียบร้อยได้บุญมากบุญเราก็แบ่งให้คุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายถวายบุญที่เราได้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชจาภผ่ดินของเราแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจสวดมนต์ก็สวดไม่ได้เรียนก็หลับๆลับตื่นตื่นแล้วศีลก็รักษาไม่ครบเท่ากับว่าเราล้มเหลวนะเราไม่สำเร็จแล้วคนไหนที่อยากประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้างมีสี่ข้อนะวันนี้ข้อแรกเรามาบวชเราต้อง มีใจรักนะมีฉันทะนะข้อหนึ่งนะมีฉันทะมีใจรักที่จะมาเป็นสัมมาเห็นถ้าเขาบังคับให้เรามาบวช เ, เอานุ่นมาลออนี้มาลอก็มาได้แต่พอมาบวชแล้วชอบเนาะชอบเป็นสมัมมาเห็ชอบได้บินทบาทได้ฟังพระอาจารย์สอนได้รักษาศีล ชีวิตมีความสงบสุขได้บุญใหญ่แล้วเขาให้ทำอะไรบ้างสวดมนเราก็สวดเรียนก็เรียนแล้วปฏิบัติปฏิบัตินี่มีนั่งกรรมฐานด้วยนะนั่งกรรมฐานให้สงบสวดมนสงบเนี่ยนะสมณีนดูในรูปนี้นะเป็นบุคคลสำคัญสมัยโบราณเนนะเมื่อร้อยปีมาแล้ว ชื่อพระยาสุธรรมมนตรีเป็นบรรดาศักดิ์นะชื่อจริงว่าหนุ่มพร้อมพระยาสุธรรมมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเหมือนกับผู้ว่านะนครศรีธรรมราชตอนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอ่พระยาสุธรรมมนตรีมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเรียกว่า พ er, ระสเสนหามนตรีพระเสนหามนตรีเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอยู่แล้วอยู่ม า, อ ย, มาอยู่มาเจ้าเมืองตา ย, ตายนะเจ้าเมืองนคนรศรญญีธรรมราชเสียชีวิตตำแหน่งเจ้าเมืองก็ว่างลงพอตำแหน่งเจ้าเมืองว่างลงพระสเสนหามนตรีเนี่ยอยากเป็นผู้ว่าละอยากเป็นเจ้าเมืองแต่เอ๊ พระเจ้าแผ่นดินรัชการที่สี่จะตั้งเราหรือเปล่านาะยังไม่แน่ใจทํายังไงถึงจะตั้งให้พระสเสนาหามนตรีตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นชื่อบรดาศักนะเป็นชาวบ้านนี่แหละเป็นผู้ช่วยผู้ว่าเจ้าเมืองก็เลยบวชนะท่านอายุมากแล้วไม่ได้บวช เ, เนอย่างสามเณรนะท่านบวชเป็นพระบวชพระเพื่อให้บุญช่วยไงบุญจะได้หนุนส่งให้ได้เป็นเจ้าเมือง เน่ยท่านยังไงดีถึงอยากจะมีบุญส่งให้เป็นเจ้าเมืองต้องบวชพระท่านอยู่นครศรีธรรมราชนะเดินทางขึ้นมานะมาจนถึงวัดพิชัยญาติวัดพิชัยญาตนินี่อยู่ห่างจากวัดประยูรเราชั่วข้ามถนนเนี่ยข้ามถนนประชาธิปกสามเนสังเกตนะอยู่ตร ง, งนุ้เองน่วัดพิชัยญาติ พระเสนหามนตรีก็มาบวชนะเป็นพระใหม่นะบวชอยู่ที่วัดพิชัยญาติทำหน้าที่สวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียนปฏิบัติแล้วก็เป็นไงชอบสิฉันทักเนี่ยนะชอบเป็นพระชอบสวดมนต์ชอบเรียนชอบฟังพระอาจารย์ให้บิธฑบายก็ชอบไปหมดเลย คอยชอบแล้วเป็นไงได้บุญเยอะไงได้บุญใหญ่บุญคือพลังอํานาจที่มันอยู่ข้างในเนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองรักษาอย่างไงคือหนึ่งนะพระใหม่องค์เนี้ยเวลาจะเข้านอนเนะื้อก่อนจําวัดอ่ะเังเกตจำวัดคือนอนพระเดชเนี่เวลาจะนอนเรียกจำวัดก่อนจะจําวัดนะชอบสวดมนต์พระใหม่เนี่ย สเสนหามนตรีนะ่ชอบสวดมนต์ชื่อท่านว่าชื่อหนูพร้อมหนูพร้อมสวดมนต์ไปเข้ากุตินะและก็มีพระองค์เล็กๆพุทธรูปวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็สวดมนต์อิตอิตั้งนะโม อ, ะอิติปิโสสวัสดิ์ขาโตสุปฏิปันโนภาหุงสวดไปเรื่อยๆแต่สวดในใจนะไม่กล้าสวดดังกลัวจะรบกวหนหลวงพี่ที่อยู่ข้างๆ ท่านก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆในใจอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปสักครึ่งชั่วโมงนะมันก็มืดแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเขาจุดตะเกียงที่วัดพิชัยญาติตรู้นี่เขาจุดตะเกียงก็ท่านก็สวดเสร็จเพราะสวดเสร็จเนี่ยก็จะต้องกราบพระพุทธรูปเน่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านก็ อัญเชลีวันทาอภิวาเนี่แบบสมัญเรีทั้งหลายเนี่ยแหละแต่นึกในใจอัญเชลีวันทาอ่ะพิว่าพอพิว่ากับก้มลงกล่าวอัญเชลีวันทาที่ว่าก้มพอก้มลงเท่านั้นเนี่ยกําลังโคง้งศีรษะลงนั้นได้ยินเสียงปืน ด, ดังเปรี้ยงสนานเลยโอ้ปืน ด, ดังลั่นเลยนะไม่รู้ใครมายิงแล้วยิงใครล่ะ โจนมันเป็นมือปืนรับจ้างเขาจ้างมายิงพระใหม่องนี้แหละองค์ที่กาลังอัญชลีวันทาอภิวาทนี่แหละกำลังนั่งนิ่งๆย่ยนะโจนมันไม่รู้ว่าพระในว่าในใจว่าอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็ก้มโจนมันเล็งมันก็เหนียวไกปืนพอดีเลยพอดีพระอภิวาสเส้นลุกปืนนี่ถากผมไปเลยนาะ เส้นยาแดงพาไปเลยโห้ร้อนฉี่เลยเนาะรู้เปี้ยงเลยเนะโอ้ยพระกาลังกราบพอดีเลยกราบพระนะลูกปืนทากเลยคุณพระช่วยจริงๆเนาะสมริรเขากราบปุ๊บยิงเปรี้ยงโจนมันไม่รู้ว่าพระจะกราบมันก็ยิงปรากฏลูกปืนมันก็ผิดพลาดไป สมัยโบราณเนี่ยมันยิงทีละนัดแต่เขาเรียบปืนปืนแก๊ปเนี่ยนะต้องเอาลูกปืนใส่แล้วเอาดินปืนใส่ต้องตันตัๆแล้วจะยิงอีกอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ยิงเป็นชุดแบบสมัยนี้เพราะโจนมันมาลิงอยู่ไหมเปลี่ยนพระากาาไปซะแล้วทากไปเลยนะเท่านั้นแหละปืนมันดังลั่นวัดเลยเนาะคนก็วิ่งแห่กันมาในวัดพิ่ชา ย, ยาชนโจนมันก็วิ่งไปวิ่งจากวัดพิ่ชา ย, ยาชผ่านวัดนรงเนี่ย เอาปืนไปทิ้งไหนแม่น้ําเจ้าพระยาตรงสะพานพุทธตอนนั้นยังไม่มีสะพานพุทธแล้วมันก็ว่ายน้ําหนีไปเลยไม่รู้มันไปจมน้ําตายหรือไปไหนก็ไม่รู้จับไม่ได้เนี่พอจับไม่ได้เขาก็มาดูพระเป็นยังไงบ้างคนที่ถูกยิงไม่เป็นไรเลยทากนิดเดียวบุญรักษาเห็นไหมถ้าคืนนั้นเนาะขี้เกียจสวดมนต์เหมือนพวกเราบางรูปเลยเนาะโอ้ยวันนี้ง่วงนั้เนนั่งเงาะกลียดกงเกลี ไม่ไหวพระไม่กราบพระโจรมันก็เล็งได้สิแต่องนี้นี่กราบพระขยันใจชอบสวดมนต์บุญก็รักษาลอดตายนะศึกออกไปพระเจ้าพดินรัชกาลที่สี่ตั้งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้เลื่อนยศจากพระสนหาบมนตรีนี่เป็นพระยานะ พระยาสุธรรมมนตรีชื่อเดิมว่าหนูพร้อมเห็นไหมเวลาบวชที่บวชจริงๆนะใครปว่วยเขาเรียกว่ายามบุญมาว่าสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาว่าสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายเพราะฉะนั้นสามเณรมาบวชตั้งใจสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติ บุญก็จะหนุนส่งให้เราเป็นเด็กดีศึกษาลาภเพศไปเรียนก็เรียนได้ดีพ่อแม่เป็นที่รักของพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ขอให้เรารักในการทําหน้าที่ไม่ว่าจะทําหน้าที่นักเรียนทําหน้าที่เป็นสมณีนให้มีฉันท์ทักมีใจรักสรุปนะอิทธิบาทวันนี้พูดเรื่องอิทธิบาทอยากประสบความสําเร็จในการบวชเป็นเนร ก็ต้องมีอิทธิบาทแปลว่าทางสู่ความสาเร็จอยากจะเป็นนักเรียนเรียนเก่งก็ต้องมีอิทธิบาทอยากจะบวชให้ได้บุญก็ต้องมีอิทธิบาทอยากจะทำเล่นกีฬาเก่งต้องมีอิทธิบาทข้อแรกพูดไปเรียบร้อยแล้วนหนึ่งสัมมเนตต้องชอบมีใจรักในเรื่องที่ทำถ้าเราชอบเรื่องไหนเราจะเก่งเรื่องนั้นสัมมเนบางคนนี่เก่งคณิตศาสตร์เพราะเป็นคนที่ ชอบคิดเลขใช่ไหมมีฉันทะสารมเนรบางคนเก่งภาษาอังกฤษอ่อชอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะฝรั่งมาแล้วชอบพูดชอบอะไรต่างนี่ชอบอ่าสารเนรบางคนชอบอะไรชอบสวดมนต์เออเพราะฉะนั้นสวดมนต์เก่งยัตถาสัพพีอ่าเพราะว่าตูศัพท์เดียวสวดได้แล้วอย่าง น, นี้เขาเรียกว่ามีใจรักสารมเณรบางคนชอบกีฬาเล่นฟุตบอลเก่งใช่ไหม เรามีใจรักตรงไหนเราจะเล่นตรงนั้นเก่งสมเณรบางคนชอบเรื่องอะไรวาดภาพเออใครวาดภาพเก่งนะอุยเดี๋ยวก็ออกมาสวยงามส่วนคนที่ไม่ชอบเห็นเห็นให้วาดภาพโอ้โหจะตายให้ได้อ้มันจะเป็นลมแล้วนี่อย่างนี้วาดเท่าไหร่ก็ไม่ดีฉะนั้นสัมณเณรต้องฝึกนะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยฝึกให้ใจมันชอบตอนแรกอาจจะไม่ชอบหรอกไม่ชอบวาดภาพ แต่เราฝึกให้ชอบเราไม่อยากสวมดมนต์ใหม่ๆเนยนโอโฟังภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่สวดไปสวดไปมันเพราะนะโอภาะตะสัพมังพลังรักพันตุสัพเทวตาโอ้ยังกะโดนตีเลยเนะี่ยเออชอบแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ามีใจรักเพราะเราชอบแล้วเป็นยังไงมีข้อที่สองสามเณรพอเราชอบเรื่องไหนนะเราจะมีวิริยะอยากทาขยันทำเรื่องนั้น เออทำไม่หยุดทําไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเหมือนกับเราอยากจะเก่ง เ, เรื่องอะไรล่ะ เ, เก่งเรื่องฟุตบอลแล้วก็ขยันซ้อมเราก็เรียน เ, เล่นฟุตบอลเก่งแล้วอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ขยันทําการบ้านขยันเนี่ยข้อที่สอง่าต่อไปจิตตาใจจดจออ่อเออใครอยากเก่งเรื่องอะไรนืใจมันต้องจดจ่อกับเรื่องนั้นเออจดจ อ, อยังไงอ่อ ใจไม่สนใจเรื่องอื่นเลยใครใครเห็นหลอดไฟฟ้านี่นะหลอดไฟฟ้าเนี่ยประดิษฐ์โดยคนอเมริกันชื่อโทมัสอนวาเอดิสันแกเป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้เอดิสันเนี่ยจดจ่ออยู่กับอะไรการทดลองแกแกชอบอยากรู้อยากเห็นเนเป็นเด็กเหมือนอย่างสมเด็จเนี่ยนะเขาทำอะไรเนี่ยชอบไปดูเขาไปอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งนะ เด็กชายเอดิสันน่ยไปดูจอมปลวกนะเหมือนสัมภาระตัวขนาดสัมภารนี่แหละไอ้จอมปลวกเนี่ยมันมันสูงขนาดเนี้แล้วมันมีต่อไปยึดหลังจอมปลวกไปต่อเนี่ยเหมือนแตบที่ต่อยได้เนี่ยนะมันเข้าออกเข้าออกมันไปทําลังยึดจอมปลวกต่อมันเข้าอยู่ในนั้นไอ้เด็กชายเอดิสันเนี่ยก็คลานไปนะไปจ้องดูต่อมันทําลัง เออมันคาบอะไรมาเนาะแล้วมันเข้าไปทำรังข้างในนี่ไอ้ตัวหนึ่งออกไปหาอะไรมาทำรังแกก็ดูเพลินนะใจจดจอ่อมองจ้องเลยนะเหมือนเหมือนเราสนใจเราจะดูเราดูทีวีแล้วก็จ้องเนี่ยเนี่ยขลิ่นจดจอ่อเพราะจดจ่อแล้วมันจะจำแม่ น, เห ม, นเหมือนเหมือนสมเนฟังนิทานเนี่ยตั้งใจฟังเนี่ยจะจำแม่นนี่ก็ฟังเรื่องเอ้สันเด็กชายเดสันจ้องใหญ่จ้องจนอะไรรู้ไหม บั้นท้ายแกระกระโดเอ่อบั้นถ้ายมันโด่งอย่างไหมหน้ามันจ้องอย่างนี้ไอ้ลูกแพะตัวหนึ่งนะมันมาข้างหลังมันไล่ขิดเสามัางต้นไม้บ้างมันเขามันพึ่ขึ้นเหรอโค้งโค้งมันมันเขาอ่ะเคยเห็นแพะมันใช่ไล่ปิดไหมล่ะอย่าว่าแต่แพะนะลูกแพะเนี่ยเขามันขึ้นอย่ามันคันมันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องไปชนโน่นชนนี่ให้มันหายคันเคยเห็นลูกหมาไหมลูกหมาตัวเน้น้อยเนี่ยนะเขี้ยวมันกำลังขึ้นเหรอเจอรองเท้าเราเป็นไง ต้องมากัดหน่อยอะไะมันบันเขี้ยวคันมันกัดเงียเง้ยเง ย, เง ย, เงยไอ้ลูกแพะก็เหมอนกันเนอะโอ้ยเห็นอะไรมันน่าคิดไปหมดเลยคิดต้นไม้คิดนูน่นไม่เห็นบั้นท้ายเอดิสันเข้าสิโอ้ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้มันน่าคิดเนาะมันน่าคิดถอยหลังอะไรตั้งหลักอะไรเล็งอย่างดีเลยเนอะพุ่งปึ้งบั้นท้ายเอดิสัน พอบ้้ายโดนชนไปนไงหน้าไปไงพิมพรวดไปปิดลังเตา น, นะนะแต้นมันออกไม่ได้เนะต่อยบูยกลับบ้านหน้าบวมไปอย่างนี้เลยเนอมันจดจ่อมากไปนะโอ้ก็ต้องระวังนะและแต่ว่าแกเป็นคนขยันเนี่ยพอโตเป็นผู้ใหญ่แกกทนน็ทดลองน่นทดลองนี่จนทําหลอดไฟฟ้าได้อะเออแต่กว่าจะทําหลอดไฟฟ้านี่หน้าบวมไปหลายหนเลยนี่เ้าเรียกว่าใจจดจอ่อนะจดจอ่อ และข้อที่สี่วิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนเราอยากจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยนะเราต้องใช้ปัญญาสอบสวนวันนี้เล่ามาแล้วเรื่องข้อหนึ่งนะฉันทะสมบูรอยากเก่งเรื่องอะไรก็ตามนะต้องชอบก่อนอมีใจรักชอบเรื่องที่ทําเรามาบวชเนี่ยถ้าเราชอบอชอบบิณฑบาตชอบสวดมนต์ชอบฟังนิทานโออย่างนี้บวชแล้วมีความสุข แต่ถ้าเบื่อไปหมดนะไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้านเนะี่ยเราต้องมีใจรักมีข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อที่สองวิรยิยะพอเรารักเรื่องไหนเนะเราอยากจะทำเรื่องนั้นอา่าอยากจะทำเรื่องนั้นวิรยิยะแปล ว, ว่าขยันดูในรูปนี่นะในรูปนี่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสิ้นไปแล้วนะพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครูมิพลอดุลยเดชเออ ท่า น, านในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยเขียนเรื่องมหาชนก ok, เขียนหนังสือเนี่ย น, นะใช้เวลาเกือปีสัมมเนรรู้ไหมในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านเป็นในหลวงท่านยุ่งมากกว่าจะเขียนเรื่องมหาช Canadians นกเสร็จเนี่ยนะท่านแปลมาจากภาษาบาลีนะสัมมเนรต่อไปถ้าเรียนภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องมหาชนกเป็นภาษาบาลีแล้วในหลวงแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แล้วแปลาจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษด้วยในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยแต่งทั้งภาษาบาลีเป็นภาษาไทยภาษา Sang อังกฤษพระอุปชานี้อาา่านได้ทั้งภาษาบาลีอ่านภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้อ่านทั้งสมภาษาเลยที่ในหลวงท่านแต่งเนี่ยท่านแปลมาเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้าแปลมาล็อกคิดเถอะนะสัมบูณนะในหลวงเนี่ยยุ่งมากๆเลยรัชกาลที่เก้าเนี่ย แต่งเรื่องมหาชนกเนี่ยเป็นเล่มใหญ่กว่าจะเสร็จทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้เวลากี่ปีรู้ไหม <12. S 1> อ่ะสิบสองปีเท่าไรแน่ครับอ๋อยี่สิบปีนับกว่าจะได้พิมพ์เนะื้โอ้รวมหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มฟังเทศนะแล้วก็ไปแปลไปอะไรจากเอาเป็นว่าไปดูกันแล้วเสร็จแล้วนะเรื่องมหาชนกเนี่ยรู้ไหมว่า ภาพในในหลวงเนี่ยกลัวพวกเราจะไม่รู้เรื่องนะให้วาดกระตูนด้วยนี่อันนี้เรือเรือสำเพอใช่ไหมสามเณรเคยฟังไหมเรือสำเภาเนี่ไปทําอะไรไปขายสินค้าใครลงสำเภาไปขายสินค้าครับพระมหาฉนกอืแล้วมหาฉนกนะเพราเพราะมหาฉนกเนี่ยขายสินค้าอยู่อินเดียใช่ไหม อินเดียเรียกว่าชมพูทวีจะไปขายสินค้าประเทศไหนรู้ไหมเสมเนิ น, นจะไปขายที่เมืองสวุวรรณภูมิเออสว น, นภูมิอยู่ที่ไหนครับรู้จักสนามบินสว น, นภูมิไหมเออแถวแถวนี้แหละเออจะมาที่สว น, นภูมิเนอะเพราะฉะนั้นนั่งเรือมากี่วันนะครับเป็นเดือนเนอะ <Jub ilee> จากอินเดียมาถึงส่วนภูมิเนี่ยเป็นเดือนในระหว่างทางเรือสมเาอแตกแตกเพราะอะไรครับพายุใหญ่มาแล้วซัดแล้วโงรุ่งรุ่งเรือสมเภาเอียงอย่างนี้เลยนะกระเท่เลยนะโดนพายุแล้วมหาชนกทำยังไงครับอจะขึ้นเสาเรือใช่ไหม แต่ก่อนจะขึ้นเสารเรือมหาชนกฉลาดนะออ euh, ขึ้นกระโดงเรือเนี่ยถ้าเรือล่มจะต้องอยู่ในทะเลนานไหมครับนานมากาแล้วกินอะไรครับในทะเลิ น, น, น้ําทะเลน้เค็มกินแล้วไปไ ง, ง, <Durham. S 2> งเค็ ม, ม, มยิ่งกินยิ่งหิวนะสัมเณนะ น, น้ําเค็มเนี่ยนะคนที่เรือแตกแล้วไปว่ายน้ําลอยคอเนี่ยหิวน้ํากินน้ําทะเลเข้าไป เหมือนกินน้ำเกลือยิ่งหิวน้ําขอห้ามกินน้ําทะเลมาหาชนกแทำยังไงรู้ไหมพอเรือทําท่าจะล่มลงไปชั้นล่างไปในห้องครั ว, อวเออนั่นแหละเอาเอาเอก่อนเอาผ้าเอาทำไงก็กินก่อนสิออืไปหาน้ํากรอกเลยเพราะจะอยู่ในทะเลหลายวันน้ําเป็นหยวกนี่เนาะกร อ, อ, อกอุ๊บอุ๊บอ๊ึ๊ดเดือดไว้แล้วนะเสร็จแล้วข้าวปลาไม่ได้กินกินไรเน่ตอ่สัมาเน็ต กินเนอปลายยังไม่ปลายังปิ้งไม่ทันแล้วทีนี้เข้าไปในห้องครัวเนะืลว้ลวงลว้ลวเจออะไรรู้ปะน้ําตาลแล้วก็เนยเนยกับน้ําตาลเนี่ยผสมกันเลยนะเนืะเนยเนี่ยนะผสมกับน้ําตาลน้ําตาลกรวดใส่เลยกินให้พุมป่องเลยนะ้พเพราะโ อ, อ้เพราะจะต้องว่ายน้ําหลายวันไงพอกินเสร็จทํายังไงเมื่อกี้สามเณรว่าเอาผ้าทําอะไรไไผ้าชุบน้ํำมัน โอ้ผ้าชุบน้ำมันทำไมต้องชุบน้ามันนะครับเออพอชุบน้ำมันใช่ไหมชุบโอเพอน้ำมันเนี่ยนะแปลกนะมันชอบลอยใช่ไหมน้ำมันเนี่ยมันลอยนะเราเทน้ำมันลงไปในน้ำมันไม่จมนะเอาน้ำมันมาฉโลมเนี่ยมันทำให้ตัวลอยด้วยแล้วก็พวกปลาพวกฉลามมันได้กลิ่นน้ำมันไปไงไม่กินเลยมันหนีเลยโอ้โหฉลาดหล่ะ ขนาดเรือจะล่มยังมีเวลาคิดเนอะมหาชนกก็ฉลูนน้ามันเสร็จแล้วออกไปนะออกไปที่ข้างนอกนะเรือมันเอียงอย่างนี้เอียงซ้ายเอียงขวาคนอยู่ในเรือเป็นยังไงครับตกลงไ ป, องปเออตออกไปลดปลากินเลยเอปลาฉลามมันรอยอยู่แล้วกินเลยใครตกไปกินมหาชกบอกตายแน่ๆเลยถ้าเราตกไปนะปลามันกําลังกินเพลินมันต่อให้มีน้ํามันมันก็กินเรา เพราะฉะนั้นทํายังไง ร, รู้ไห ม, ไมเรือเนี่ยถ้าเรือมันจะจมเนี่ยส่วนไหนในเรือจะจมเป็นอันดับสุดท้ายครับเสากระโดงเห็นไหมนี่สามเณรดูนะเสากระโดงมันสูงเรือมันจะจมเนี่ยมันจะเหลือเสากระโดงเอเสากระโดงนี่นี่เสากระโดงในภาพนี้เห็นไหมมหาชรุกเลยปอินไปยอดเสาเนี่ยจียนปีินไปยอดเสาแล้วเห็นคนที่ตกไปก่อนเนี่ยนะ โดนปลากินเพราะฉะนั้นมหาชรกทำยังไงไปเินไปอยู่ข้างบนให้ปลามันกินคนอื่นก่อนแล้วนะมันจะได้ไปกินเราเสร็จแล้วทำยังไง ร, รู้ไหมใช้เสากระโดงเนี่ยโยกเป็นคานงัดเลยเป็นสปริงเนอะโยกไปโยกมาเพราะเออพอเรือจะจมมันก็โอ้ข้ามไปนู่นเลยนะไอปลาอ้าปากคานเลยสิมัวแต่กินอยู่กระเด็นไปตรงนู่น มหาชรกตกไกลเลยปลามัวจะกินคนอื่นอยู่มหาชรกตกไปไกลเสร็จแล้วมหาชรกทําไงว้ายเลยเออว่ายหนีปลาไงหนีไปแล้วแล้วไปกลับไปชมพูทวีปรู้ได้ไงว่าชมพูทวีปอยู่ที่ไหนครับดูพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ตกทางนี้พระจันทร์ขึ้นทางนี้ตกทางนี้รู้แล้วชมพูทวีปเนี่ยต้องกลับไปแล้ว ร่วนวันทพูบอยู่ตะวันออกนะชมพงธวีอยู่ตะวันตกเพราะฉะนั้นต้องไหวไปทางตะวันตกเห็นพระจันทร์ขึ้นละเนี่ยนี่เห็นเนี่ยเห็นไหมโอ้ไหว้ไปกี่วันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระพระจันทร์นี่เห็นไ ห, นไห ม, ไนนนนไหมตั้งแต่เป็นเสี้ยวเป็นเสี้ยวจนกระทั่งเต็มดวงหนึ่งเจดวันเจ็ดคืนละเจดวันเจ็ดคืนไหวไปเ ร, เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งวันสุดท้ายไปเจอใครครับเทวดาหอกผ่านมา ชื่อนางมณีเมฆขาลาครับเพราะนางมณีเมฆขาลานี่มีหน้าที่สำรวจท้องทะเลว่าเออมีคนจมน้มไหมจะได้ช่วยปรากฏว่าเจ็ดวันที่ผ่านมามัวไปเที่ยวเพลินนะเออไปเที่ยวเพลินไม่ได้มาดูมหาชนกเลยว่าอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนพอครบวันที่เจ็ดมาแล้วมาเจอมหาชนกแกหอกมาใช่ไหมนี่หอกมา ก็าถามมหาชนกยื่นคอไปถามาไปทําอะไรอยู่แล้วนะาถามเทวดาถามมหาชนกก็บอกว่ายน้ำว่ายน้ําเล่นเหรือโอ้ไทยจะว่ายเล่นแล้วเรือมันแตกรู้แล้วแตกที่ไหนไม่รู้ไกลมากแล้วจะว่ายว่ายเมื่อกี่วันแล้วเทวดาถามเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วจะไปไหนจะกลับชมพูทวีป เทวดาบอกว่าโอ้ยต่อให้วหว้ไปอีกเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่ถึงมันไกลไหว้ทำไมให้เหนื่อยว่าไปก็ไม่ถึงจมน้ำตายไม่ดีกว่าหรือโ อ, โอ้โหเทวดาพูดชำกลเนอะพระมหาฉลกบอกว่าไงรู้ไหมใครก็ตามที่คิดว่าวหายก็ตายไม่ไวหายน้ำก็ตายไม่ไวหายดีกว่าจมน้ำตายไปหมดแล้วนี่เรื่อนคือเพื่อนผม เพราะมันคิดว่าว้ไปก็ตายเลยไม่วหายจมก็เลยแต่ผมเนี่ยนะคิดว่าวหว้ก็ตายไม่วหาก็ตายตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตายจะไหว้ไม่หยุดเหลือรอดมาคนเดียวนี่โอ้เทวดาเป็นไงโอ้คนนี้ตอบดีมากเลยอุ้มเลยนะไปวางบนบกเลยนี่เพราะว่ามีวิริยะวหว้ก็ตายไม่วหาก็ตายฉันจะว่ไม่หยุด ไม่ไดนะสมมุติว่าไปสอบนะเข้าห้องสอบสอบมันก็ตกไม่สอบก็ตกเพราะฉะนั้นไม่สอบดีกว่าแล้วเป็นไงครับตกแน่ๆนสอบก็ตกไม่สอบก็ตกแต่มีสิทธิ์สอบเราต้องสอบมีสิทธิ์สอบได้เห็นไหมสู้ก็แพ้ไม่สู้ก็แพ้ตัวมันใหญ่มันขี้โกงแต่สู้สักตั้งหนึ่งน่ะเออมีสิทธิ์ชนะนะไอ ไอ้ตูปวิ่งไล่เรามานี่วิ่งหนีไหมโอ้หนีมันก็กัดไม่หนีแค่กัดกัดกับมันสันตั้งเอาไหมโอ้อย่าไปกัดดีกว่านะมันมีเชื้อหมาบ้าตอนนี้โอ้เชื้อหมาบ้าเยอะนะสระบรีนะไอ้ที่เห็นวิ่งๆเนี่ยอย่าไปสู้กับมันนะเออมีคาถากันไอ้ตูปอยังเนี่ยยังนะคาถากันไอ้ตูปกัดนะตั้งใจฟังนะหลวงพ่อพุทธอรยานท่านสอนมาพระเดรในวัดเนี่ยเซตคาถานี้ อจำไว้นะสมรีนะคาถาการไอ้ตูปกัดนออะลบเออฮะคาคาถากันผีนะเดี๋ยวจะให้เอาคาถากันไอ้ตูปกัดก่อนอคาถาการไอ้ตูปเสกอย่างนี้นะไอ้จอไอ้จอ r r o ู้ไหมไอ้จอคืออะไรหมาเออเราจะไปเรียกหมาเดี๋ยวมันไม่ไม่เอ็นดูเราแล้วบอกไอ้จอไอ้จออออเไอ้จอไอ้จอเอ หน้างอหูกลางเน่เออหน้างอหูกลางหูเป็นกลางบ้างะละ่ะไอ้จอไอ้จอหน้างอเอาไม่เอาหน้ า, า, ง, อางอเดี๋ยเขี้ยวงอเขี้ยวมันมองอย่างนี้นะไอ้จอไอจอเขี้ยวงอหูกลางเอ็นดูกูบ้างอรหังพุทธจจำได้ยังอ้าวเสก เ, เสกเอเสกพร้อมกันนะเออเอาเดี๋ยวพร้อมกัน อ้าวแล้วฟังอีกทีนะแล้วให้เสกพร้อมกันนะไอจอไอ้จอเขี่ยวงอหูกลางเอนดูกูบ้านอารหังพุทโธอ้าวเสกพร้อมกันไอจ่อไอจอเขี่ยวงอหูกลางเอนดูกูบ้านอารหังพุทโธเสกคาถาแล้วต้องอย่าลืมทำอะไรเนาะต้องเพียงด้วยนะเออ ต้องเพี้ยงด้วยถึงจะสัตว์สิน้นโอ้นะเอา้าเมื่อกี้หรือเพียนเอาใบเซกใหม่ไอ้จอไอ้จอเขี้ยวงูกลางเอนโนโกบ้าตอารหังพุทธพ่เพี้ยงว อ, อ้มันจะหนีเราก็ไอ้ตรงเพี้ยงนี่แหละเออเพี้ยงดังๆเนะเนอะอเซกเซกคาถาเลยนะนะเซกคาถา เอาเอาคาถากันผีไหมครับใ่อาคาถากันผีนะเออคาถากันผียากหน่อยการคาถากันผีนะเอาคาถากันผีพอเรียกว่าคาถาคาถากันผีเรียกว่าคาถากาน่ยสลัก กาสลักนะท่องคาถาไว้คาถากันผีเรียกว่าคาถากาสลักเออนี่นะคาถากาสลักมีสี่คำนะมีสี่คำเดี๋ยวสี่คำเนี่ยคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรครับจาคำที่สองออคำที่สาม คำที่สอ่จาจะกะสะอ่าสา ม, มเดนนะอุ้ยเซคาถาคาาถาแปลว่าการสลักนะคาถาชื่อการสลักจกะทกกษะเนี่ยสี่คำเนี่ยการสลักเ โบราณเขาแต่งเป็นกลอนด้วยอย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะทําไมเรียกว่าคาถากันผีนะมีที่มานะอพระอาจารย์พระประชาจะว่าให้ฟังจะภะกะสะ ป, ปะถมังเป็นมนลังเป่าปัดกําจัดผีอโบราณเขาแต่งกลอนอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจะภะกะสะ ป, ปะธมังเป็นมนลังเป่าปัดกําจัดผี เอกทั้งพูดพารายไร้กาลีเศกเจทีโหยภัยไม่ใกล้กลายแต่ต้องเศกให้ครบ7ทีนะถ้าไม่ครบ7ทีผีไม่ผีไม่ไปนะไล่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเศกเทีเอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เศกนะเศกเจ็ดทีเขาเรียก คำว่าทีเนี่ยเรียกว่าคาเจ็ดเศษเจ็ดคาบกาถากาสลักเศษด้วยกันเจ็ดคาบนะสมัยนนะ เ, เจ็ดคาบคาบไม่ได้แปลว่าจบนะดูให้ดีนะถ้าใครไม่ตั้งใจนะตอนนี้พระอาจารย์พูดฉันทะมีใจรักต้องรักคาถานี้วิริยะขยันเศษเจ็ดคาบ แล้วข้อต่อไปจิตตะอละสอนไปเลยจิตตะแปล ว, ว่าจดจ่อจิตตะนะยังยังไม่ได้พูดข้อสามนะ้นี่ฉันท์ทาหนึ่งเราต้องบอกโอ้คาถานี้ดีมากต้องชอบคาถานี้ฉันท์าถึงจะศักดิ์สิทธิ์แล้ววิริยะขยันเสกให้ครบเจ็ดข้ามจิตะจตะจิตต้องไม่วอกแวกนิ่งเลยไม่กลัวจิตตะจดจ่ออ่ะไม่ไงั้นคาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่า คาถาจะศักดิ์สิทธิ์เจ็ดคาบนะคาบเสกยังไงให้ดูให้ดีนะตั้งใจใดูให้ดีไม่งั้นเสกไม่ได้นะคาถานี้คาบแปลว่าวนวนนะสัมเรลิคาบแปลว่าวนหนึ่งคาบมีสี่วนมีสี่วนเพราะฉะนั้นเอาเจ็ดมาคูณเจ็ดสี่เท่าไหร่ครับยี่สิบแปดอ่าบแวน ล, ลองดูนะ มีสี่วนเสกวนเสกยังไงหนึ่งคาบนะครับมีสี่วนวนที่หนึ่งดูให้ดีนะเริ่มจากตัวที่หนึ่งจิตตะนะเพ่งนะจา่าภากาสานี่หนึ่งวนหนึ่งอวนที่สองภาเริ่มจากตัวที่สองนะภากาสาจาอ่วนกลับไปเห็นไหมวนที่สอง วนที่สามเริ่มจากตัวที่สามพักกาจะกาสะจากพั ก, ก, กพวนที่สามวนที่สี่เริ่มจากตัวที่สีสาจากพักกาได้แล้วครับสี่วนด้วยกันเรียกว่าหนึ่งข้ามแล้วเซกเจ็ดข้ามเจ็ดข้ามถึงจะไล่ผีได้ แล้วระหว่างนั้นถ้าผียังไปห้ามวิ่งเซกอย่างเดียวต้องมันเออเซกไปอย่าไปหนีก่อนนะอ่ะเริ่มเดี๋ยวจะเซกให้ดูอีกทีแล้วท่านมาเรีนเซกตามนะข้อที่หนึ่งอว่วนที่หนึ่งจากพาักกาสาวนที่สองพักกาซาจากวนที่สามกาสาจากพาักวนที่สีา ยาพระกาเสกได้แล้วเอาทีนี้สาม น, นิลเริ่มเสกกันนะวนที่หนึ่งวนที่สองวนที่สามาวนที่สีอเอาละอันนี้เรียกว่าคาถากาสลักสี่คำ จำได้แล้วนะเอาตอนนี้เสกโดยไม่ต้องดูบ้างดูว่าจะได้ไหมออนั่งตัวตรงๆรับเสกเลยวนที่หนึ่งวนที่สองวนที่สามวนที่สี่อ่าเอาเอาเอาไยังไม่ยังไม่ไอวนสุดท้ายไม่ค่ชัดวนที่หนึ่งังๆครับ วนที่สองวนที่สามวนที่สี่อ้าวละเซกให้ได้เจ็ดคาบนะครับที่ว่ามันนี่คาบเดียวนะเจ็ดคาบอะรับรองผีขี้เกียจรอมันไปก่อนแล้วอู้โมตอต์เซกเนอซัมเนเอ็กได้เลยทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคาถาการสลักลืมคาถาไอ้จอหรือยัง เอาเซกเกพร้อมกันทีนี้เอาคาถาไอจอหนึอาเนี่ยหนึงสองไอจ่อไอจ่อที่ตุ๊กาไุาอาพี่เออได้แล้วนะได้คาถาไลไอจอแล้วนะไอตู๊กาคาถาการสลักครับ 1,2,3 สา นี่เรียกว่าฟังอีทีนะคาถากาสลักอาคาถากาสลักเกกนี่ยนะจากพะกกสะปะถมังเป็นมนถังเป่าปัดกำจัดผีอีกทั้งพูดพลายหลายกาลีเซเกทิทีโพยไภัยไม่ใกล้ไกลอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจิตตะใช่ไหมฉันทะเมื่อกี้พูดถึงอะไรบ้างหนึ่งฉันทะ มีใจรักเอาพร้อมๆกันนะครับหนึ่งฉันท า, ม, นนทามีใจรักสองวิทยาห้เพียงคำสามท่าใจตดจอก4วิมังขาพิจ า, าราณาแก้ไขอ่าสมมตินะเรามีคาถาการสลัก ฉันทะเราต้องชอบคาถานี้จึงจะขันถ้าเราบอกมันงั้นๆแหละเสกไม่ขันนะต้องชอบเสร็จแล้ววิริยักษ์ต้องขยันเสกเพราะว่าถ้าไม่ค่อยขยันเนี่ยเป็นยังไงเวลาเจอไอ้จอจริงๆมันเสกไม่ทันนะตัวแข็งมาเลยนะถ้าเราเสกบ่อยๆไอ้จอมาแห่ใส่เราก็ไอ้จอไอ้จอหางเออเขี้ยวงอหูกลางเอ็นดูกรงบ้างอรหังพุทโธมันคาถามันมาอัตโนมัติ เราต้องวิริยะขยันแล้วจิตตะมีสมาธิจดจอ่อเมื่อกี้เราถ้าไม่มีจดจ่อเราเสกได้ไหมจากพระกสาเนี่ยไม่ได้เสร็จแล้ววิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนพิจารณาแก้ไขสมมตินะก็ไอ้จอมันมาเนี่ยนะแง่แ่มาเสกแล้วมันก็ยังแห่อยู่ทำไงดีครับโอ้วิง่งเออเพร <อ S 1> าะฉะนั้นต้อง เสกไปด้วยหาทางหนีด้วยนะเออบาดบาดมีไว้ทำอะไรโ <มา S 1> อ, อ้เขาหัวหมาเหรออุ้ยมีข้าวในบาด ท, ทำยังไงให้มันกิน<ด>นี่นเ้าเรียกว่าวิมังสาใช้พิจารณาแก้ไขเสกอย่างเดียวไม่พอเนาะเอาข้าวล่อมันด้วยเออไปไปกินข้าวไปไเคยไหมเวลาเคยเห็นไหมในทีวีเนี่ย คนเขาดูวัวไล่ขิดเนี่ยเขาทำไงวิ่งไปด้วยเศกคาถาไปด้วยนะแล้วเสร็จแล้ววัวมันวิ่งโกรธเพราะอะไรมีเสื้อสีแดงเขาวิ่งไปเขาก็ถอดเสื้อโยนให้มันมันก็ไล่ตามเสื้อไปเห็นไหมแสดงว่ายังไงเขามีวิ่งบังสาด้วยเ อ, อเศกคาถาไปด้วยถอดเสื้อด้วยเออไม่อย่างนั้นเนี่ยนะ ม, มันเล่นงานเราฉะนั้นนะข้อที่สี่นะ เซกยันเดียวไม่พอดูทางหนีทีไล่มีบาดไว้ทำอะไรฝาบาดไว้ทําอะไรโอ้โหเคาะมันก็ได้เนาะโอ้บาดไปทางเน้นไปทางให้มันไล่ตามบาดไปโอ้เราไปแล้วเออแล้วถ้าเราอยู่ริมตลิ่งทำยังไงรู้ไหมไว่ายน้ําเป็นเปล่าโอ้ถ้าว่ายน้ําไปเป็นยุ่งอีกนะเออไอจอมันลงน้ํำไหม มันไม่ลงหรอกมันกลัวน้ํามันเป็นโรคกลัวน้ําเออเพราะฉะนั้นเออไม่ใช่แมวเหรออ่ะบางตัวมันแต่ถ้ามันว่ายน้ํามันกัดเราไม่ได้หรอกมันตาเหลือกตาค้างอยู่นะเออมันก็พยายามว่ายนามันมันไม่ลงทุนขนาดว่ายน้ําตามเราหรอกเนาะอ่ะทีนี้นะต่อมาทีนี้ทีนี้เนี่ยเซคคาถาอย่างเดียวไม่พอต้องเล่าให้สมเณีนฟังไว้ คือเวลาไปเจอเสือเจอช้างเน่ยนะเซคาถาด้วยวิ่งด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ยามเข้าป่าเซคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถาเห็นน้ำแกงจวนหมดรถโอชาเติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยน้ำแกง อยากให้คาถาศักดิ์สิทธิ์ทำยังไงครับวิ่งด้วยช่วยคาถาจำไว้นะคำว่าวิ่งด้วยคือข้อที่4ีนะครับวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนเสกคาถายังไม่พอต้องใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขทีนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับอ้าวเล่า เอามาหาชนกหรือยังไม่จมเหรอ้เอามาหาชนกอีงนะยังติ่นใจนะใจที่จริงเนะีย่ยเอาแค่เทวดาอุ้มก็พอแล้วนะถ้าจะเรียนเพิ่มนะให้พระอาจารย์สอนนะเพราะวันนี้นี่มันจะหมดเวลาแล้วอเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเรื่องสุดท้ายเลยสามเณรเซคขาเนะกันเสือ กันช้างกันไอ้จอกันผีแต่เราต้องเตรียมวิ่งหนีด้วยและถ้าวิ่งหนีไม่ได้ช่องใช้ปัญญาแก้ไขเหมือนเรื่องต่อไปนี้ที่ดูในภาพนะสามเณรเออเขาบอกว่าไอ้เสือตัวนี้เนี่ยคนคนนี้แต่งชุดขาวนะไม่มีคาถาหรอกแต่ว่าเป็นคนใจดีแกเดินมานะเขาเรียกว่าชายชุดขาวก็แล้วกัน เดินมาเข้ามาในป่าไปเจอเสือตัวหนึ่งเสือตัวนี้อยู่ในกรงครับเห็นกรงไหมครับนี่ครับนี่กรงอยู่ข้างหลังมานี่เนี่ยเขาทําลูกกรงไว้เสือมันเดินทะลึ่ทะล่าไปกินเหยื่ในกรงติดไอ้ไอ้ไอ้บานประตูมันก็ปิดกึ๊บเลยเสือออกไม่ได้เสือติดกรงนะเป็นกรงเหล็กกรงไม้ใหญ่ด้วยนะ ออกไม่ได้ทีนี้ตอนที่ชายชุดขาวเดินมาเนี่ยแกไม่เห็นเสืออยู่ในกรงเออเสืออยู่ในกรงแล้วแกก็เป็นคนใจดีเสือมันบอกว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยครับจะไม่ลืมพระคุณเลยเออเสือพูดได้เป็นเสือในนิทานนะเสือโ อ, อ้เสือมันก็บอกช่วยเธอครับ ผมจะไม่ลืมพระคุณผู้ชายคนนี้แกใจดีใช่ไหมแล้วจะให้ช่วยยังไงก็เปิดประตูให้ผมออกไปสิครับผู้ชายใจดีก็ไม่ดูต่างม้าตาเรือว่าเสือเนี่ยมันเจ้าเล่ห์คาถาก็ไม่มียังจะไปเ ป, เปิดกลงให้เสือออกมาอีกเพราะเปิดกลงนั้นนหะเสือกระโจนพรวดเลยนะคล่ำหน้าอกเลยล้มหลักเลยตัวแกล้มไป นอนกับพื้นเสืออ้าอ่ า, อาปากจะกัดคอกินผู้ชายคนนั้นก็บอกเออเสือหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อกี้เสือบอกว่าจะไม่ลืมพระคุณแล้วทำไมจะกินเ้าล่ะเออนี่เสือในละคุนนี่ทำไมอย่างนี้เสือทำไมไม่ตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณเสือบอกว่าไม่จำเป็นเออใครมีพระคุณเราเนี่ยนะเราไม่จาเป็นจะต้องตอบแทนพระคุณ แกคนมนุษย์ใจร้ายเดี๋ยวมนุษย์ก็มาฆ่าเราทำโครงเสือดักเรา เ, เพราะฉะนั้นเราก็จะกินกินซะเลยเอ อ, อย่างนี้อักตันยูเนี่ยไม่รู้แหละจะกินสัอย่างเอาอย่างนี้ได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแกใช้ปัญญาในไหนจะตายแล้วเนี่ยคาถาแกไม่มีแกก็เลยต่อรองกระเสือว่าเอาอย่างนี้ไปถามใครก็ได้สามคนสามอย่าง ว่าที่เราปล่อยเสือออกจากโรงนี่เสือควรจะขอบคุณหรือจะกินคนปล่อยถ้าสามอย่างบอกว่าให้กินเรายอมตายนะคนบอกว่ายอมตายแต่ถ้าบอกให้ปล่อยเสือต้องปล่อยนะเสือบอกได้ตกลงไปถามสามอย่างไทยก็ได้ถ้าเจอนะถ้าเขาบอกว่าคนมีพระคุณต่อเสืออ่เพราะฉะนั้นให้ปล่อย เสือก็จะปล่อยคนแต่ถ้าไอสิ่งที่เราไปถามมันบอกว่าคนไม่มีพระคุณกินได้เราก็จะกินตกลงไปกันเลยเดินไปตามฐานไปเจอต้นไม้ไปเจอต้นไม้คนก็ไปถามต้นไม้เสือก็ไปถามต้นไม้พร้อมกันต้นไม้ครับเนี่ยคนเขาปล่อยผมนะออกจากโรงเสือว่าแล้วผมจะกินเขา เขาบอกว่าไม่ได้อากตันยูไม่รู้คุณควรจะตอบแทนคุณด้วยซ้ําไม่ใช่มากินให้ปล่อยไปควรปล่อยไหมครับท่านต้นไม้ต้นไม้บอกว่าเออเดี๋ยวคิดก่อนนะอืได้คําตอบแล้วต้นไม้บอกว่าคนเนี่ยไม่เคยรู้คุณต้นไม้นะเวลามานั่งใต้ร่มไม้นะเราอุตส่าห์ให้ร่มมันนะ มันยังตัดกิ่งเราเอาไปทำฟืนด้วยเออแทนที่มันจะเอาน้ำมารถให้เรานะมันตัดกิ่งเรามันเอาลูกเราไปกินเนี่ยมันก็ไม่รู้คุณคนเหมือนกันพวกคนเนี่ยไม่รู้คุณของต้นไม้เพราะฉะนั้นกินมาเลยต้นไม้ยุงให้เสือกินคนเพราะว่าคนยังไปชอบตัดกิ่งต้นไม้เนี่ยไปถามต้นไม้ต้นไม้บอกกินได้หมดไปแล้วหนึ่งนะ คนใจไม่ดีเลยคอตกเลยนะเออไปดูไปถามอันที่สองเดินไปไปเจอควายนะโ อ, อ้ควายนะไปถามควายมีสิทธิ์หล่ะควายบอกว่าเรไปถามควายบอกว่าพี่ควายผมปล่อยเสือเนะเสือมันจะกินผมพี่ว่าผิดไหมกินได้ไหมควายบอกว่า ไ อ, ไ, อไอ้มนุษย์พวกคนนี่นะมันก็อากตัญยูต่อควายนะเออเจอเข้าอีกแล้วสิมันอากตัญยูต่อควายใช้ควายไถายนาจนแก่แก่แล้วเป็นยังไงเชื่อทาเนื้อแดดเดียวอีกต่างหาอโอ้ยมันอากตัญยูกินเลยพี่เสืออ้าวหมดไปอีกแล้วสองเสียง เออเหลืออีกหนึ่งคนตายแน่ๆเลยนึกในใจนะเดินไปนะต้นไม้ก็บอกให้กินควายก็บอกให้กินเหลืออีกหนึ่งจะเจอใครทีนี้โอ้ไปเจอสุนัขจิ้งจอกอ้ไอสุนักจิ้งจอกเนี่ยมันพวกกระเสือใช่ไหม เออมันชอบไปไหนก็เสือคนนึกว่าตายแน่แน่ไอ้จิ้งจอกตัวนี้มันเจ้าเล่ห์เดี๋ยวมันให้เสือกินเรามันกินกระดูกเราเน่แต่เจอแล้วก็ต้องถามพี่จิ้งจอกเนี่ยผมปล่อยเสือออกจกัดกรงแล้วเสือมันก็จะมากินผง ม, มันสมควรไหมพี่นะคนก็ถามจิ้งจอกจิ้งจอกก็ฮะ ว่าอะไรนะออหูตึงเออเออว่าอะไรนะคืออย่างนี้ผมออผมปล่อยมันจากกรงกรงไหนล่ะเออไม่ได้ยินอีกแล้วกรงไหนเฮเสือลำคานเออไอ้นี่เมื่อไหร่กูจะได้กินบันทึกทีมัวแตะฮะไก่แฮะอยู่เนี่ยล่ะโอ้ยหิวแล้วเนะมันจะ ฮ่าเฮอุ้ยยุ่งจริงเลไอ้เสือหูไอ้ไอ้จิ้งจอกหูตึงนี่แล้วไอ้เสือก็เลยพูดบ้มันปล่อยเราจะกลูกกรงตะโกนดังล่างเลยลูกกรงรู้จักไหมกรงไหนน่ะอุ้ยขืนอธิบายไม่ได้กินแน่ๆเลยนะเสือก็เลยแบบตามมาตามมาตามเรามาไอ้จิ้งจอกหูตึงเออตามมาพากันไปนะ เสือคนจิ้งจอกจิ้งจอกก็เดินตามหลังกูไปหาลูกกลงลูกกลงที่เสือโดนขังไวน้นะนี่ไงไองโงออ่รู้จักกลงไหมเสือว่านะเออเนี่ยอยู่ในกลงเนี่ยกลงอย่างเงี้ยเ อ, อแล้วใครอยู่ในกลงน่ะ อ, อูอ้ยเปนโง่จริงเลยใครอยู่ในกลงเสือก็บอกก็เหล้านี่แหละอยู่ในกลง แล้วมันไปอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงก็เดินเข้าไปสิแล้วเดินยังไงเสือยัวก็เลยเดินเข้าไปในกรงเออพอเดินก็ไปในตรงจิ้งจอกก็เลยปิดลูกกรงปึง้งปิดอย่างนี้ใช่เปล่าเราเสือเออนั่นแหละแล้วออกยังไงละ่ะเออจิ้งจอก บ, บอกว่า แกก็ออกแกเองสิแกแกเข้าไปแล้วอยากออกเมื่อไหร่ค่อยออกเอออ้าวแล้วไม่ได้หูตึงหรอเปล่าเออหลอกทําเป็นหูตึงเพื่อให้เสือเนี่ยมันกลับเข้าไปในกรงแล้วก็ปิดประตูลูกกรงแล้วคนก็ถามว่าแล้วตกลงเนี่ยจะให้ผมเปิดลูกกรงให้เสือออกมาอีกไหมคนถาม จิ้งจอก บ, บอกอยากโง่ให้เสือกินก็เปิดมาสิใครมันจะโง่ล่ะแล้วเสือบอกแล้วแล้วผมทำยังไงละ่ะเองก็อยู่ในกรงต่อไปนี่เลยว่าแล้วก็แยกย้ายกันไปเสือก็เลยติดลูกกรงตั้งแต่นั้นมาเห็นไหมไอ้จิ้งจอกมันฉลาดมันใช้ปัญญ า, าคนก็ฉลาดที่ถ่วงเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีคาถาต้องใช้ปัญญาแก้ไขเราก็จะพ้นภัยได้อ่าฮะอ า, อาทีนี้เส็ตคาถากันแล้วนะหมดเวลาแล้วคาถาสี่คำวันนี้สอนเลื่อนทางแห่งความสำเร็จอาสรุปที่สอนมานะครับสี่คำอิทธิบายแปลว่าทางแห่งความสำเร็จ อยากสำเร็จในการบวชก็ต้องมีอะไรบ้างอยากแก้ปัญหาได้อยากไล่ไอ้จอ่ออยากไล่ผีต้องหนึ่งอ้าวว่าว่าอีกที่บาที่พร้อมกันข้อหนึ่งอะไรครับสามีไหนึ่งสองสามสี่ เรามีฉันทะในการบวชเรามีวิริยะภาคเพียทํามจิตตตั้งใจบวชมีปัญหาไม่ร้องงองยกลับบ้านแก้ปัญหาที่นี่ทนีนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากไอ้จอมากวนเราเราเสกคาถาไล่ไอ้จอเอาเสกพร้อมกันหนึ่งสองสา เออมันจะไปก็ไอ้อเพี้ยงนี่แหละเออเกดังๆอ้าวคาถาคาถากันผีเรียกว่าคาถาอะไรครับกาสลักสลักครับอ้าคาถากาสลักสี่คำเสกคาถากาสลัก ส, สี่คำอ้าวเออ ส, อสี่สี่วนสี่หนึ่งภาพพร้อมๆกันครับวนที่หนึ่ง วนที simpler, temps, ่สองวนที่สามวนที่ส uh ี่วนที่หนึ่งเอาให้ดังเหมือนเมื่อกี้สิไม่ต้องดูหนังสือให้มันจำได้มัวแต่มัวแต่อ่านอยู่ผีมาทำไงอ่ะต้องอยู่ในใจเราจำได้วนที่หนึ่งวนที่สอง วนที่สามวนที่สี่เอาเก่งมากสามเณรทุกคนนะสมกับที่มาบวรวัดประยูนเอาละให้เราประสบความสำเร็จทุกคนเอารับพรจากพระอุปัชานะตั้งใจรับพรว่าแต่ว่ายะถาสัพพีได้ยังครับได้แล้วยังสัพพีสัพพีได้ยังครับอ่า เดี๋ยวตกลงกันนะพระประชาให้พรเป็นภาษาไทยสามเณรสักพีพร้อมกันรับเลยรับพรนะน้าตั้งใจปนมมือนะจะได้เป็นเด็กดีเรียนเก่งประสบความสําเร็จเอาตั้งใจแล้วปนมือขึ้นแล้วเดี๋ยวพอพระประชาให้พรภาษาไทยเสร็จจะได้สักพีให้ชื่นใจหน่อยให้ญาติโยมข้างหลังได้ชื่นใจด้วยนั่งตัว ต, ว ต, งตรงๆนะครับเอาให้รับพรเป็นภาษาไทยก่อน รัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยเตชสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณประสิรัตนไตรและบุญกุศลที่บวชเป็นสม น, นีในพระศาสนาจงมารวมกันเป็นตบากเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยพรให้สมนีนทุกรูปประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตโดยปราศจากทุกโศกรโรคภัยอุปัตถวันตรายทั้งปวงมีคาถา กันสัตว์ร้ายทั้งหลายการพูดผีปีศาจทั้งหลายรุม้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงให้เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขาภรัปติพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคน ตลอดกาลและนานเทิน